อำนาจความจริงก็อยู่ข้างเรารู้ว่าอะไรควรพูดรู้ว่าพูดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเสียดายจิตสงบสุขถ้าต้องฟุ้งกระเจิงไปกับการพูดส่อเสียดนินทาเอามันอะไรจิตอันประณีตน่าพึงใจถ้าต้องกระด้างหยาบลงเพราะการพูดหยาบคายด้วยโทสะและอววรจิตอันเข้มแข็งถ้าต้องซึมเหม่อลอยเลื่อนไป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 เพราะชีวิตเริ่มห่างจากสิ่งยั่วยุให้ผิดศีลออกมาเรื่อยๆมีเรื่องรบกวนให้ศีลมองน้อยเท่าน้อยแต่ก็จะไม่ประมาทตั้งจิตอธิษฐานซ้าว่าต่อให้มีเรื่องยั่วยุขนาดขู่เอาชีวิตฉันก็จะไม่ผิดศีลอย่างเด็ดขาด